สร้างความเคยชินแบบใหม่คือเคยชินที่จะรู้สึกตัวอยู่เสมอๆในการกระทาในการดำเนินชีวิตของเรานะพยายามทำกันให้ต่อเนื่องในทุก อ, อิริยาบถมันอาจจะหลงลืมสติไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปทุกข์อย่าไปเครียด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 ก่อนจะทํา ก, ดก็ดีให้หยุดสักนิดหนึ่งแล้วค่อยทําก่อนจะพูดให้หยุดสักนิดหนึ่งให้่สติมันเกิดแล้วก็ค่อยพูดไม่กระทั้งก่อนจะคิดหยุดสักนิดหนึ่งแล้วค่อยคิดช่วงจังหวะที่หยุดนี่แหละสติมันจะเกิด น, น, นี่แหละขอให้เราทําแบบเป็นธรรมชาติย้ายผิดจากธรรมชาติ